ไงกินอาหารอร่อยไหมกินเยอะไห ม, มกินเยอะระวังง้งนอนอนะก็ถ้าใครกินเยอะก็เดินย่อยอาหารนะมก็กินเยอะเหมือนกันเดินยอยอาหารนะ แล้วก็มันจะด่างกายมันจะเป็นยังไงก็คือมันจะอิ่มมันจะจุกมันจะง่วงมันไรก็ก็รับรู้มันตามควเป็นจริงเนาะแต่ให้เรามีสติอยู่กับมันหมายถึงว่าง่วงก็อยู่ก็มีสติรู้มันนะจุกก็มีสติรู้มันเมื่อยก็มีสติรู้มันเนี่ยคืออยู่กับมัน สติไม่ใช่การไม่ใช่เป็นการผักใสอาการนะแต่เพียงว่าสติคือการรู้ทันมันแล้วก็ไม่เข้าไปอยู่ในอาการนั้นๆ น, น, นะคือมองมาเป็นอาการนะที่เกิดขึ้นนะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกาย ห, นะหรืออาการที่มันเกิดขึ้นกับใจเนี่ยก็มีสติรู้ทันมันน ะ, นะคือไม่ผักใสนะ แต่อยู่อยู่เหนือเขานะอยู่เหนือเขานะมองเห็นเขานะแล้วก็รู้มันไม่ได้คิดว่ามันจะต้องหายหรือไม่หายอย่างไรนะอืมนะไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าไม่ได้กังวลว่ามันจะไอ้ที่มันดีมันจะหายไปหรือเปล่านะนี่นะอืมคือเนี่ยสติตภาวะที่มันเป็นเป็นปกตินะเนะี่ยคือนั่เราก็ไป ลองฝึกดูเนาะเดี๋ยวก็ไม่ต้องพูดมากละหาหาที่ภาวนาเลยเ น, ะนาะที่ข้างบนก็ได้เนาะหรือในห้องนี้ก็ได้ก็ฝึกกันประมาณถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะนสักสองชั่วโมงครึ่งนะที่เราจะได้ฝึกกันเต็มๆถ้าสงสัยมีอะไรก็ค่อยมาพูดคุยกัน แต่ถ้าตรงไสัมากๆนะ่ะติดขัดมากๆนะแค่ไม่ได้ก็ามาคุยก่อนได้นะ่ะเอาเลยถ้าใครง่วงก็อย่างว่าเดินให้เยอะๆไจ้า ก, ก็เดินหาที่เดินก็ได้าที่เดินที่นั่ง น่นก็ให้เทคนิคไว้ถึงให้มันเราให้เราหยุดตั้งหลักเวลามันฟุ้งมากๆก็หยุดตั้งหลักสักหน่อยไม่ต้องก็เห็นโยมเดินอยู่ก็เออแต่ก็คือปล่อยปลให้มันก็ไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์นะคือก็อยา่ามันก็ไม่ได้ดีทุกวันหรอกภาวนานะมันถึงอารมณ์ปฏิบัติแต่แต่มันดีตอนตอนท้ายที่เนี่ยเราเออไม่เป็นไร ไม่ได้อะไรก็ใจก็ไม่ได้หุดหงิดอารมณ์เสียกับกับอ่าสิ่งที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคาดคิดอนะเนี่ยอันนี้คือดีนะนี่คือดีอะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้เราเป็นอะไรด้วยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าก็เป็นลงอีกแบบหนึ่งนะเพราติเออด้ได้นูน่นได้นี่ก็ลงดีใจไปกับสภาวะต่างๆนี่ยค่คือที่จริงมันก็ มันเป็นมันตัวซ้อนเข้ามานะอนนียเราฝึกที่จะรู้รู้ทันทั้งอากาศที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันสิ่งที่มันซ้อนเข้ามาอีกให้เราดีใจให้เราเสียใจให้เราชอบให้เราไม่ชอบมันนะเราก็รู้รู้ทันอารมณ์พวานั้นไปด้วยมันก็จะทำให้อันนี้ก็มันมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนาะไม่ได้ว่าอยากใช้มันเกิดหรือไม่อยากให้มันเกิดมันก็เกิดขึ้นมาแล้ว เราก็รู้ทันมันอีกทีหนึ่งยอมพูดถูกถูกประเด็นมากคือเพราะคือเราไม่รู้ทันเนาะอันนี้นคือขาดตัวไม่รู้ทันเนี่ยตัวตัวที่จะรู้ทันก็คือตัวสตรีนห้แหละคือตัวรู้ทันใช่ไหมเพราะว่าที่จริงความรู้แม้เราจะอ่านพระไตรปิฎกอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะมามันเป็นความรู้ในในระดับสมองที่เราจําได้หรือไม่แต่การเราคิด ตักตำตักกระเหตุผลอะไรควรไม่ควรมันก็มันก็เป็นความรู้ที่เกิดจากการคิดออาแต่ถ้า้ความรู้พวกนี้ยมันพูดจริงริงมันไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆมันเหมือนมันพอเกิดขึ้นมาแล้วมาย้อนคิดอ้าว่อยเข้าใจอะไรแบบนะี้แต่แต่ตัวตัวการรู้ทันนี่แหละมันจะทําให้เราเห็นมั น, นะเห็นเช่นเวลาใจหงุดหงิด พอเรารู้ทันใจที่มันงุ่หงิดนะ่ะไม่ต้องจัดการอะไรกับมันนะแค่ฝึกรู้เฉยๆไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าต้องจัดการอารมณ์งุ่หงิดออกไปอนนะแค่นี้พอแล้วก็แต่ทัดใจที่มันรู้สึกไม่ชอบเข้ามาแทรกแล้วน่ะให้ให้ย้อนกลับมาดูใจที่มันไม่ชอบเช่นไม่ชอบที่มันงุ่นหงิดนะ่ะย้อนกลับมาดูเนี่ยหรือเวลาเกิดอะไรที่มันเกิดเราชอบขึ้นมาแล้วมาเกิดความรู้สึก ในนี้ให้เรารู้ทันความชอบก่อนแล้วครนี้พอพอใจที่ที่ยอมว่ากลัวมันจะหายไปเนี่ยมันแทรกเข้ามาอีกทีหนึ่งเราก็มาดูรู้ทันใจที่มันอยากให้หายไปน่ะนะ่มันจะเห็นแบบนี้ไปเรื่อยคือฝึกรู้ทันแบบเนี้ไปเรื่อยอืมอะไรเกิดขึ้นมาในชีวิตประจำวันเราก็ฝึกรู้ทันแบบนั้นส่วนการมาเดินจงกรมการมายกมือสร้างจังหวะมันเหมือนคล้ายๆเหมือนมาเพิ่ม เพิ่มอะไรเหมือนเพิ่มกําลังให้กับตัวสติเนี่ยแหละมันอาจจะไม่ได้ว่าร้อยเปอร์ซนหรอกแต่มันเหมือนคล้ายๆเป็นการซ้อมเป็นการซ้อมรู้ทันในขณะที่เรายกมือขณะที่เราเดินมันก็จะเกิดความคิดตืออารมณ์ขึ้นแบบเนีน้แล้วก็ฝึกซ้อมในการดูอารมณ์พวกนี้ยต่อไปเมื่มันเกิดการกระทบจริงส่วนใหญ่ที่เจอตรง น, นี้มันเหมือนเป็นมันเป็นเป็นอารมณ์ที่เราขุดขึ้นมาเนาะมันมันจิตมันเก็บเขาคือจิต จิตมันเก็บอ่ะเราไม่รู้หรอกครับทำํทำไมมันถึงเก็บนะคล้ายๆเหมือนกับความฝันอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกมันมีเหตุอะไรทําให้เกิดความฝันนั้น น, นแต่มันเป็นเรื่องที่จิตมันเก็บไว้แล้วก็มันผุดขึ้นมาบ่อยมากในขณะที่เราปฏิบัติในรูปแบบนั้นะเราก็ได้ซ้อมกับตรงนี้แล้วเวลาเราเจอสิ่งกระทบใหม่ๆนะทางตาทางหูทางลิ้นทางอะไรก็แล้วแต่มันก็ทําให้ เรารู้ทันอารมณ์ที่มันกระทบเท่านั้นได้ได้เร็วขึ้นคือฝึกตัว น, นี้แต่ต่อไปมันก็จะทําให้เราเมื่อเจอกับสิ่งที่กระทบหรือเจอกับปัญหาต่างๆพอเรารู้ทันได้ได้มากขึ้นความทุกข์ในใจเราก็น้อยลงที่เรามาฝึกก็เพื่อฝึกให้เรารู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วความทุกข์มันก็มันก็น้อยลงนะอะก็ต้องแต่อย่าเชื่อต้องลองทําเอา อ่อันนี้ก็ต่อเป็นจากประสบการณ์บ้างจากทฤษฎีที่ที่อธิบายให้โยมฟังบ้างแต่แต่มาว่าโยมถ้าโยมพูดบางคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ที่โยมพูดเมื่สักครู่ที่โยมเห็นตัวเองนัก็คือโยมก็เริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นแะแต่เพียงว่าเออเราขาดสิ่งนี้เราก็มาฝึกสิ่งนี้ขาดการรู้ทันก็มาฝึกการมีสติรู้นี่นแหละ แต่จะรู้ดูแล้วก็ให้รู้ทันไอ้ใจที่มันไม่ใช่รู้ซื่อๆนั่นแหละรู้แล้วอยากให้มันอยู่นะรู้แล้วอยากให้มันหายนะอารมณ์ดีอยากให้มันอยู่อารมณ์ไม่ดีอยากให้มันหายอันนะั้นคือความไม่ซื่อแล้วก็ฝึกรู้ทันไอ้ตัวที่มันไม่ซื่อนะอีกต่อห น, นึ่ง เ, เป็นกันไหม เป็นทุกคนใช่ไหมอ่านั่นแหละเป็นกันทุกคนเพราะามันคือเกเรตมันก็จะเป็นแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่คนแบบจิตวิปริตนะที่แบบชอบทุกกันนะส่วนใหญ่คนชอบสุขนั่นแหละคนก็ชอบสุขแล้วก็เกียดทุกข์อืมชอบไอ้ที่ดีไม่ชอบไอ้ที่ไม่ดีคนทั่วไปมากไปี้ยนอกจากนอกจากคนอาจจะมีปัญหาทางจิตหรือประสาทอาจจะมี ของแตกตา่างมากแต่คนทั่วไปก็เป็นมันนั้นแต่เราก็อย่างว่านะเราก็ถูกสอนถูกค่านิยมที่ให้เราเสพกับสิ่งนี้มันเป็นความสุขเป็นความสนุกเป็นความอร่อยเป็นอะไรเป็นความเพลินเราก็ถูกปลูกฝังมาให้เสพของพวกนี้แล้วก็พยายามหนีได้เราก็พยายามหนีความทุกข์หนีสิ่งที่เราไม่ชอบ เน่กลไกในการทํางานเนี่ยของเรามันทําจนจนจิตมันเคยชินในการทําแบบนั้นที่เรามาฝึกใหม่ก็ฝึกให้เนี่ยให้รู้ทันแล้วก็ไม่หนีแล้วก็แค่รู้มันรู้มันเฉยเฉยรู้มันซื่อไม่ได้หนีแล้วก็ไม่ได้ไปยึดมันแต่ฝึกรู้มันทุกก็ฝึกดูมันมันสุขก็ฝึกดูมันนะ่ะคือไม่คือการภาวนาจริงไม่ใช่การหนีออก หนความเป็นจริงเรารู้ทั้งสุขที่มันเกิดขึ้นรู้ทั้งทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วตัวสุขก็ดีตัวทุกข์ก็ดีตัวชอบหรือตัวไม่ชอบก็ดีก็แสดงธรรมะเท่ากันคืออะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นแบบนั้นมาแสดงความจริงแบบนั้นเพราะเราเริ่มเห็นแล้จะสุขก็ยึดไม่ได้ทุกข์ก็ ทกุก็เป็นแค่อาการสุ ข, ขก็เป็นอาการนะก็ะดูตรงนี้ไปก็ดู เ, าเนะเาะฝึกฝึกไปเรื่อยๆก็ถ้าใครเห็นประโยชน์ก็ฝึกไปเรื่อยๆนะมันอยู่ที่การฝึกเั้งนั้นแหละนะทำอะไรก็มันก็อยู่ที่การฝึกนะการปฏิบททัติธรรมก็สิ่งสำคัญก็คือการฝึกฝึกไปบ่อยก็ทำให้เรามีประสบการณนะ์เนาะ เนี่ยมีประสบการณ์ผิดบ้างถูกบ้างถ้าเราแต่ถ้าเราจับหลักได้ว่านะี่คือนะอย่างที่บอกคือเราจะดูเราจะใช้กรรมฐานอะไรก็แล้วแต่กรรมฐานคือวิธีปฏิบัติน่ะนะอคือจะใช้รูปแบบไหนก็แล้วแต่นะก็คือเพื่อเพ่เพียงเครื่องะระลึกรู้เป็นอุบายให้จิตมันตื่นขึ้นมาในการรู้รู้สิ่งที่กำลังทำขนาดนั้น ตัวหรือรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้เราเห็นนะขนานั้นนะคือเราฝึกแบบนะั้นฝึกรู้ตัวบ่อยๆในกายก็ดีหรือในเวทนาก็ดีเวทนามีสองส่วนนะเวทนาของกายคือเวทนาของใจเวทนาของกายในเพิรองของรูปอ่าเวทนาของใจคือใจที่มันสุขใจที่มันทุกข์ใจที่มันเฉยนะเวทนาของใจในสติปทานสี่ที่เรียกเวทนานุ ป, ปัสนาคือเวทนาของใจ ส่วนในรูปมีเวทนาของกายนะในจิตก็มีทั้งกุศลมีทั้งอกุศลหรือว่าเป็นที่เป็นกลางๆก็ก็ดูมันนะจะแยกเป็นชื่อมันก็ได้หรือแยกดูมันเป็นตรงข้ามก็ได้ตอนนี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธตอนนี้ฟุ้งซ่านตอนนี้ไม่ฟุ้งซ่านนะดูมันนี่ก็ได้นะอ่าก็หรือไม่แยกก็ได้ก็แค่รู้สึกมันเป็นอะไรก็ดูมันไปก็ได้นะอันนี้คือเราก็ฝึกดูนในชีวิตจําวันเนาะอืม ฝึกถ้าเราฝึกในรูปแบบก็อย่างที่อธิบายยมก็เหมือนซ้อมซ้อมกับอารมณ์ที่มันที่มันผุดขึ้นมาในตอนนี้นะนะหรือว่าในชีพประจำวันของเราก็ก็เหมือนเจอของจริงที่มันเกิดขึ้นจากการกระทบทางอายตนะทั้งหกเลยเนะก็เรามันก็ทำให้เราได้เห็นเห็นตัวเองนะก็เราจะทำงานอะไรไปก็ได้ก็พยายามมีสติะระลึกรู้ รู้ทันกายหรือทันใจของเราเองควบคู่ไปกับการทำงานด้วยเนาะก็ก็คงฝากไว้เ <c oughs> ท่านี้เนาะ <c oughs> นอาจารย์ต้อมีอะไรเติมไหมครับ <c oughs>